ตอนที่หนึ่งร้อยแปอดเลิกกับเขาแล้วเลือกฉันหยุนเย็นเยนกับหยุนเศร้าเหิงไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูไม่เหมือนที่น้องแท้ๆกันเลยหยุนเหย็นเยนดูจะใส่ซื่อกว่ามากนางมองทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆไปเสียหมดหลีหวานมองความไม่บรรลุนิติภาวะของนางออกนัน่นเป็นพระตั้งแต่เด็กนางได้รับการปกป้องจากครอบครัวดีเกินไปหยุนเหย็นเยนเดินออกจากโรงพยาบาลไปด้วยความโกรธโดยไม่ไว้หน้าหลีหวานเลยแม้แต่น้อย ในบรรดาคนตระกูลหยวนและตระกูลเจิงนางคือคนที่ไม่อยากให้หลีหวานกับหยวนเซ้าเหิรงครบกันมากที่สุดส่วนเหตุผลนั้นก็เรียบง่ายเช่นกันหยวนเยียนเยียนเคยเป็นน้องสาวของหยวนเซ้าเหิงแต่ตอนนี้หลี่หวานกลับกลายมาเป็นคนรักของเขาหยวนเหยียนเยียนเพียงแค่รู้สึกไม่สมดุลในใจนางคิดว่าพี่ชายควรจะเป็นของนางคนเดียวเท่านั้นตั้งแต่เล็กจนโตนางยังไม่เคยสัมผัสถึงความรักใคร่เอ็นดูจากพี่ชายเลย หลี่หวานยุ่งกับงานที่โรงพยาบาลจนเสร็จและเดินทางมาถึงบ้านตระกูลหยวนในเวลาหนึ่งทุ่มเมื่อแม่หยวนเห็นนางก็ไม่ต้องถามก็รู้ว่าหลี่หวานมาเพื่อพบเศร้าเหงิงเดิมทีเซร้าเหิงตั้งใจจะให้พวกเราปิดบงังเจ้าไว้คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะรู้อยู่ดีแม่หยวนส่งสัญญาณให้หลี่หวานเดินตามนางเข้าบ้านพางเอ๋อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกซี่โครงแค่ร้าวเล็กน้อยปัญหาไม่ถือว่ารุนแรงมากหมอบอกว่าให้พักผ่อนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างสงบตอนนี้ก็พักฟื้นจนเกือบจะหายดีแล้ว คุณน้าคะเรื่องนี้ท่านไม่ควรปิดบังหนูเลยช่วงนี้เขาไม่ไปหาหนูหนูเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอยู่แล้วคะ่ะลิวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อตอนบ่ายเย็ยนเย็นไปหาหนูที่โรงพยาบาลแล้วบอกเรื่องนี้กับหนูเองคะ่ะนเาว่าล้เชียวว่าเป็นยีเด็กคนนี้แม่หยวนสายหน้าด้วยความเอ็นดูมีเพียงลูกสาวตัวดีของนางเท่านั้นที่จะทาเรื่องแบบนี้ได้ ระหว่างที่พูดคุยกับหลีหวานก็ผลักประตูห้องเข้าไปยนตนเศร้าเหิงกำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเขาก็เงยหน้าขึ้นพอเห็นว่าเป็นหลีหวานก็รีบปิดหนังสือทันทีเจ้ามาได้อย่างไรที่บาดเจ็บขนาดนี้จะไม่ให้ฉันมาได้อย่างไรคะหลีหวานเดินไปที่ข้างเตียงยื่นมือออกไปตรวจชีพจรเป็นอันดับแรกหลังจากเกิดเรื่องย้นเศร้าเหิงได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแล้วยืนยันว่าไม่เป็นอะไรถึงได้จัดแจงให้ออกจากโรงพยาบาลร่างกายของเขาไม่มีปัญหาอะไร แต่หลีหวานไม่วางใจในสิ่งที่พวกเขาพูดนางต้องตรวจชีพจรด้วยตัวเองถึงจะแน่ใจแม่หยวนถอยออกไปเพื่อให้พื้นที่ส่วนตัวแก่คนหนุ่มสาวทั้งสองได้พูดคุยกันหยวนเศร้าเฮิงมองหลีหวานที่ชักมือกับมุมปากของเขาขยับยิ้มไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องแบบนี้พี่ไม่หลอกเจ้าหรอกพี่แค่กลัวเจ้าจะเป็นห่วงก็เลยไม่ตั้งใจจะบอกน้องสาวพี่เป็นคนบอกเจ้าใช่ไหมหเด็กคนนี้เก็บความลับไม่อยู่จริงๆไม่เป็นไรคะ่ะหลี่หวานวางใจลงเล็กน้อย เรื่องครั้งนี้พี่ตั้งใจจะทำอย่างไรต่อไปคะคุณอาองของพี่ทำเรื่องแบบนี้ลงไปคุณปู่คุณยา่าคงไม่คิดจะปล่อยเขาไปอีกรอกใช่ไหมครั้งนี้ที่ไม่เป็นอะไรก็พระดวงแข็งแล้วครั้งหน้าล่ะใครจะรับประกันได้ว่าครั้งหน้าจะโชคดีแบบนี้อีกคนกันเองกลับมาวางแผนทำร้ายกันเองหากผู้เท่าทั้งสองของตระกูลหยวนคิดจะปกป้องพวกเขาก็คงจะไม่ตำหนิรุนแรงนะักหยวนเศร้าเหงไม่พูดอะไรสายตาเพียงแค่มองไปทางประตูจากนั้นจึงกดเสียงตำ่ำ ที่ได้ยินจากพ่อกับแม่ว่าคุณปู่คุณย่าไม่คิดจะเอาความเพียงแค่ตำหนีอสองอย่างรุนแรงเท่านั้นว่าแล้วเฉียวหลีหวานเดาไว้ไม่มีผิดเป็นเพราะพวกเขาเอาแต่ตามใจและยอมให้อยู่เสมอครอบครัวสีคนของหยวนเศร้าเหงิงถึงได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเจ้าวางใจเถอะที่ไม่ยอมเสียเปรียบฟรีฟรแน่หยวนเศร้าเหิงยื่นมือไปกุมปลายนิ้วที่เย็นเย็ยบของหลีหวานมุมปากยกยิ้มบางๆในเมื่อคุณปู่คุณย่าไม่จัดการเช่นนั้นเรื่องนี้ก็จัดการได้ง่ายขึ้นแล้วที่คงไม่ได้คิดจะ้ะ แก้แค้นคืนหรอกนะหลีหวานพูดค้างไว้แค่นั้นอือต้องเอาคืนให้หนักกว่าเดิมเป็นพันเท่าหมื่นเท่าแน่นอนแววตาของหยวนเศร้าเหิงมืดคล้มลงเสี่ยหวันเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้พี่กังวลเรื่องอะไรที่สุดหลีหวานพวกเขากล้าลงมือกับพี่ครั้งนี้ไม่สําเร็จครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะลงมือกับใครอีกพี่กลัวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เจ้าขีดจํากัดของหยวนเศร้าเหิงก็คือหลีหวานใครก็ห้ามมารังแกนางเด็ดขาด ดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะลงมือพี่ต้องจัดการพวกเขาให้สิ้นซากเสียก่อนต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่เขากังวลใจขึ้นอีกในอนาคตหลิวันเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยว่าไม่ว่าพี่จะทําอะไรฉันก็สนับสนุนพี่แค่แต่ครั้งหน้ามีเรื่องอะไรต้องบอกฉันได้ยอย่างน้อยก็ต้องปรึกษากันฉันกลัวพี่จะเป็นอันตรายเรื่องครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุแม้แต่พ่อกับแม่พี่ก็คิดไม่ถึงว่าอาสอจะกล้าลงมือกับพี่โดยตรง แต่จริงๆพี่ก็เข้าใจได้พ่อพี่จัดการเคลื่อนหุ้นของอสองในบริษัทจนหมดเกลี้ยงท่านกำลังเตรียมการให้พี่รับช่วงต่อตำแหน่งหยวนเศร้าเฮิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำตอนนี้อสอถูกบีบจนไม่มีทางไปหากเขาทำสำเร็จและกำจัดตัวปัญหาอย่างที่ไปได้พ่อพี่ก็จะไม่ใช่ขวกักหนามของเขาอีกต่อไปการแข่งแย่งชิงดีในตระกูลใหญ่เช่นนี้ไม่เคยจบสิ้นหลหวันขมวดคิ้วบางครั้งการมีลูกหลายคนก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์เงินทองช่างบังตาคนได้จริงๆ แม้แต่ความผูกพันทางสายเลือดก็ไม่เหลือหลิวันนพยักหน้าเบาๆที่เองก็ควรจะเตรียมการเพื่อตัวเองจริงๆนั่นแหละคะ่ะวันนี้จะามาเยี่ยมพี่แล้วก็อย่าเพิ่งกลับเลยหยวนเส้าเหิงไม่อยากให้นางต้องเดินทางกลับโรงเรียนในตอนกลางคืนมันค่อนข้างลําบากเจ้าพักที่นี่เถอะที่บ้านมีห้องว่างตั้งหลายห้องอืมได้คะ่ะหลิวันเผยรอยยิ้มบางๆครั้งนี้ฉันขอลาหยุดกับทางโรงเรียนไว้แล้วจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ที่บ้านสักสองวันแน่นอนคะ่ะที่บ้านมีแค่เราสองคนถึงจะดี หยวนเศร้าเฮิงรู้สึกว่าคนอื่นนั้นขวางหูขวางตาเอาเถอะคคืนนี้พี่พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนฉันจะไปบอกคุณนะเองเมื่อหลี่หวานพูจบขณะที่กําลังจะลุกเดินออกไปนางก็เหลือบมองไปที่ประตูที่ปิดสนิทก่อนจะรีบก้มลงจูบที่แก้มของหยวนเศร้าเหิงอย่างรวดเร็วเกิดเสียงแผ่วเบาขึ้นหนึ่งครั้งหยวนเศร้าเหิงยังไม่ทันได้ตั้งตัวหลี่หวานก็เดินออกไปเสียแล้ว แม่หยวนจัดห้องพักให้หลีหวานห้องนั้นกว้างขวางและสะอาดสะอ้านดูออกว่าปกติมีคนคอยทำความสะอาดอยู่เสมอเสี่ยวหวานคืนนี้เจ้านอนห้องนี้เถิดตรงข้ามก็คือห้องของเส้าเหิงไม่ต้องกลัวนะแม่หยวนยิ้มห้องนี้จัดเตรียมไว้ให้เจ้าตั้งนานแล้วคิดเสียว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองนะดีใจมากที่เจ้ามาพักที่บ้านสักดสองวันอยากให้เจ้าอยู่เป็นเพื่อนเส้าเหิงหน่อยตั้งแต่เขาบาดเจ็บมาก็เอาแต่อุดอู้อยู่ในบ้านทั้งวันรู้สึกว่าสภาพจิตใจเขาดูไม่ค่อยดีเลยหลี่หวานตอบรับเบาๆ คุณน้าไม่ต้องห่วงนะคะครั้งนี้หนูตั้งใจมาอยู่เป็นเพื่อนเขารอให้ร่างกายเขาดีขึ้นกว่านี้หน่อยหนูค่อยกลับคะ่ะดีจะมีอะไรขาดเหลือก็บอกนะ้ได้เลยนะนะ้ขอตัวกับห้องก่อนเมื่อไม่หยวนผู้จบนางก็เดินออกจากห้องไปพร้อมกับปิดประตูให้หลี่หวานหลี่หวานมองห้องที่ว่างเปล่าก็รู้สึกเงียบเหงาจริงๆบางครั้งห้องที่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อยนางหันหลังไปยืนเผลอมองสวนดอกไม้เล็กๆด้านล่างอาคารตระกูลหยวน โดยไม่ทันสังเกตเห็นประตูห้องที่ถูกผลักเปิดออกอย่างเงียบเชียบจากด้านหลังคุณน้าคะหลีหวานได้ยินเสียงฝีเท้าก็นึกว่าเป็นแม่หยวนที่มีเรื่องอื่นจะสั่งกําชับอีกนางจึงหันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยไอสารเลวหยวนเศ้าหึงแน่นดวงดีจริงๆอยู่ข้างนอกไม่เคยต้องลำบากเสวยสุขมาตั้งหลายปีไม่พอพอกลับมาที่บ้านก็ยังเตรียมให้เขารับช่วงต่อตําแหน่งอีกตอนนี้ถึงขั้นหาแฟนได้สวยขนาดนี้เชียว